นิทานไทยนกไนติงเกลที่รักเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาสมัยที่จีนปกครองโดยกษัตริย์กษัตริย์ทรงมีราชวังและสวนที่งดงามที่สุดภายในสวนเขียวชอุ่มและในสวนนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้หลากนานานพันธุ์บางสายพันธุ์พบเพียงแค่ในสวนแห่งนี้ที่เดียวในโลกไม่สามารถหาที่ไหนเดีในโลกได้ ชาวสวนจะห้อยระฆังเล็กๆไว้บนพวกมันสวนแห่งนี้ใหญ่มากรอบนอกของสวนถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าไม้ทุกทิศทางมีแม่น้ําไหลผ่านในป่านั้นและข้างๆป่าก็มีต้นไม้าอยู่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกไนติงเกลนกไนติงเกลมีเสียงร้องที่ไพเราะมากจนทุกคนที่ได้ยินต่างก็หลงไหลราชอาณาจักรแห่งนี้มีชื่อเสียงมาก และมีผู้คนมากมายมาเยี่ยมชมซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวนกในติงเกลและเสียงอันแสนไพเราะของมันวันหนึ่งขณะที่พระราชากำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับนกในติงเกลอยู่นั้นพระราชาก็ครุ่นคิดบางอย่างนี่มันนกตัวไหนในอาณาจักรของเราทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินเขาเรียกเสนาบดีมาพบ ท่นเสนาบดีนี่ข้าอ่านเรื่องอะไรกันอีนกไหนตีเกวในอนาณาจักรของเราที่ร้องไพเราะจนถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดของอาณาจักรเราด้วยอย่างนั้นเหรอทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนเออฟาบาดกระหม่อมไม่เคยได้ยินนกเช่นนี้จงไปหานกตัวนั้นซะ และให้มันร้องเพลงให้ข้าฟังในพระราชสำนักเย็นนี้อาตามท่านรับสั่งเมื่อเสนาบาดีได้รับคําสั่งจากพระราชาแล้วก็ได้ทําการออกค้นหาจนทั่วตามคําสั่งนั้นเขาได้ถามทุกคนที่ได้พบแต่ว่าไม่มีใครรู้เกี่ยวกับนกไนติงเกลเลยสักคนเขาจึงเข้าพบพระราชาอีกครั้งหนึ่งฟาบาต เป็นไปได้ที่เรื่องนกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในจินตนาการของผู้เขียนแต่ว่าแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีนกแบบนั้นอยู่ในอาณาจักรไม่จริงกษัตริย์ของญี่ปุ่นส่งหนังสือนี้มาให้ข้ามันต้องไม่ใช่เรื่องโกหกข้าต้องการได้ยินเสียงร้องเพลงของนกไนติงแกวนำมันมาให้ข้าตอนเย็นนี้ไม่เช่นนั้นทั้งอาณาจักรจะต้องถูกลงโทษ เสนาบาดีไม่มีทางเลือกอื่นใดเขาจึงถามเรื่องนกไนติงเกลกับทุกคนที่เขาได้พบจนได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งนกไนติงเกลใช่หนูเคยเห็นค่ะและเคยฟังเสียงร้องของเธอด้วยถ้าอยู่ใกล้แม่น้ำค่ะเอาละถ้าเจ้าพาข้าไปหานกไนติงเกลข้าจะมอบรางวัลให้แก่เจ้าในขณะที่เขาตามเด็กสาวเข้าไปในป่า เขาก็ได้ทําการส่งข้อความไปถึงพระราชาวา่าได้พบนกไนติงเกลแล้วพวกเขามาถึงที่อยู่ของนกไนติงเกลนกไนติงเกลเริ่มร้องเพลงของเธอเด็กสาวจึงทําการพูดขึ้นว่าเห็นไหมนั่นเงคะนกที่หนูบอกคุณไงเซนาบ ด, ดีไม่ได้ยินที่เด็กสาวพูดเพราะว่าเขามัวหลงไหลไปกับเสียงเพลงของนกไนติงเกลอยู่ ทุกคนก็จะลืมสิ่งรอบข้างไปหมดเอ่อข้าไม่เคยได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะขนาดนี้พระราชาต้องชอบใจแน่นอนในที่เกลวที่รักมาที่วังกับข้าเถิดพระราชาต้องการฟังเพลงของเจ้านับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระราชาต้องการฉันฉันจะไปอย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนค่าพวกเขาได้มาถึงที่พระราชวัง พระราชวังถูกตกแต่งอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่พระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ของเขาและมีทองคำแท่นที่ถูกวางอย่างพิเศษเพื่อสำหรับนกในติงเกลโดยเฉพาะนกในติงเกลเกาะที่มันและเริ่มร้องเพลงออกมาเพลงของเธอช่างน่าลหลงไหลมากจนน้ำตาของพระราชานั้นไหลออกมาข้าต้องการให้แหวนของข้าสวมบนคอของนกไนติงเกล ไม่ฟ้าบาทม่อมฉันไม่ได้ต้องการสิ่งใดแค่ท่านชอบเพลงของข้าก็ถือว่าเป็นรางวัลแล้วพระราชามีคำสั่งให้นกนตยจิงเกลอยู่ในกรงทองคำที่สร้างขึ้นมาภายในวังและอนุญาตให้เธอบินไปข้างนอกได้วันละสองครั้งทหารสิบสองคนติดตามเธอโดยผูกริบบิ้นสีแดงไว้ที่คอของเธอนายิงเกลไม่ชอบแบบนี้เลย และมันก็เป็นแบบนี้มาหลายสัปดาห์วันหนึ่งมีบางคนส่งกล่องให้กับพระราชาและมันสลักไว้ว่าไนติงเกลนี่ต้องเป็นหนังสือใหม่ที่เขียนเกี่ยวกับนกไนติงเกลแต่ว่าไม่มีหนังสืออยู่ในกล่องเลยแต่มีนกไนติงเกลประดิษฐ์ด้วยเพชรและอัญมณีเมื่อดึงขึ้นมามันร้องเพลงได้เหมือนกับนกไนติงเกลไม่มีผิด ริบปิ้นห้อยที่คอเขียนว่านี่เป็นนกในติงเกลจากพระราชาของญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้มันเหมาะสมกับพระราชาของจีนแล้วทุกคนต่างดีใจที่ได้เห็นนกในติงเกลประดิษฐ์นั้นช่างนี้อะไรเช่นนี้เราควรให้พวกเขาร้องเพลงด้วยกันพระราชาให้ทั้งคู่ได้ร้องเพลงด้วยกันแต่ว่ามัน กลับไม่ไพราะสักเท่าไหร่นักเพราะว่านกในติงเกลตัวจริงนั้นร้องเพลงได้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าในขณะที่นกประดิษฐ์นั้นร้องสู้นกในติงเกลตัวจริงไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของนติงเกลประดิษฐ์มันร้องได้เพียงเพลงที่ถูกสร้างมาเท่านั้นมีแค่นกในติงเกลประดิษฐ์ร้องเพลงขึ้นมาเสียงของมันเหมือนกับนกในติงเกลตัวจริงและเนื่องจากมันมีเพชรไ ย, ยิบไยับ มันจึงสามารถดึงดูดและมันสามารถร้องเพลงมากมายหลังจากนั้นไม่นานพระราชาจึงตรัสขึ้นมาว่าอยากได้ยินเสียงของนกไนติงเกลตัวจริงนกไนติงเกลไปไหนใครเห็นเธอบ้างไม่มีใครเห็นเธอบินออกไปเลยหรือไงเธอหายไปเธอคงจะบินออกไปจากวังแล้วทุกคนในพระราชวัง หลงไหลอยู่กับเสียงเพลงของนกในติงเกลประดิษฐ์พวกเขานั้นฟังแล้วฟังเล่าฟังซ้ำอยู่อย่างนั้นนกในติงเกลตัวนี้ช่างงดงามมากนะมันร้องเพลงพรอมมากเลยดูสิเหมือนกับว่ามันนะ่ะไม่ใช่นกในติงเกลประดิษฐ์เลยนะเรายินดีกับของขวัญจากกษัตริย์ญี่ปุ่นจะมีการจะแสดงดนตรีในอาทิตย์หนะ้า ทั่ทั้งราชาอาณาจักรต้องได้ยินเสียงไพเราะของนกไนติงเกลนี้เอาตามรับสั่งฝ่าบาทวันต่อมามีการแสดงดนตรีของนกไนติงเกลและทุกคนก็ชอบมากแต่ว่าบางคนก็อยากฟังเสียงของนกไนติงเกลตัวจริงอืมมันก็ดีนะแต่ถ้าเป็นนกไนติงเกลตัวจริงตอนที่เธอร้องต้องมีคนน้ําตาไหลใช่แล้วมันเยี่ยมมากๆเลยไม่ว่าจะฟังสักกี่ครั้ง ก็ยังอยากฟังมันซ้ำอีกนกในติงเกลประดิษฐ์ถูกวางไว้บนเตียงของพระราชาพระราชาได้ฟังมันร้องเพลงและได้ตั้งชื่อเพลงนั้นว่าเดอะรอย l s i n ิงเกอร์ชื่อนี้ถูกสลักบนริบบิ้นที่คอของมันหนงังสือพิมพ์เขียนถึงนกในติงเกลประดิษฐ์ชื่อของมันนั้นเป็นที่รู้จักอย่างขว้วถึงและกว้างไกลนักหนึ่งปีต่อมา พระราชาและชาวเมืองต่างจดจำเพลงของมันได้และเมื่อมันเริ่มร้องเพลงผู้คนก็เริ่มร้องตามแต่ว่าคืนหนึ่งขณะที่นกในติงเกลประดิษฐ์กำลังร้องเพลงให้พระราชาได้ฟังมีเสียงแตกภายในตัวของมันวันรุ่งขึ้นพระราชารีบนำมันไปซ่อมกับช่างนาฬิกาฟาบาดหม่อมชั้นตรวจสอบเครื่องนี้อย่างละเอียด พบว่าการร้องเพลงไปเกินทำให้สายไฟและการเชื่อมต่อภายในเสียหายถ้าซ่อมมันอาจทำให้เสียงผิดเพี้ยนหม่อมฉันเสียใจที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบว่ามันร้องเพลงไม่ได้อีกแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งราชอาณาจักรก็จมลงอยู่บนความสิ้นหวังนกในติงเกลเป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงทั้งหมดกับพวกเขาผ่านไปห้าปีพระราชาได้ล้มป่วย เพราะว่าสุขภาพย่ำแย่ลงทุกคนในราชาอาณาจรรักรต่างภาวนาให้พระราชามีสุขภาพที่ดีขึ้นฟาบาสเสวยอะไรด้วยเถิดมีอะไรที่ข้าจะทำให้ท่านได้พระราชาไม่ได้ตัดสิ่งใดเขาเริ่มอ่อนแอลงและดูเหมือนว่าเขาจะไม่รอดมันยากที่เขาจะหายใจสิ่งเดียวที่เขาจำได้มีแค่เพียงร้องเพลง ร้องเพลงให้ข้านายติงเกลข้าให้รางวัลเจ้ามากมายทำไมเจ้าไม่ร้องเพลงให้ข้าร้องเพลงร้องเพลงแต่ว่านกนาิงเกลประดิษฐ์ก็นิ่งทันใดนั้นเองพระราชาได้ยินเสียงร้องเพลงจากนอกหน้าต่างแสงแห่งความหวังและความสุขติดแผลซ่านไปทั่วหน้าของพระราชาและพระราชา ได้มองเห็นนกในติงเกลตัวจริงแวบๆวบทางหน้าตา่างเขาพยายามเบิ่งตามองและพบว่านกในติงเกลจริงๆนั้นกำลังร้องเพลงให้กับเขาอยู่เจ้ากลับมาแล้วร้องเพลงให้ข้าในติงเกลที่รักของข้านกในติงเกลร้องเพลงอีกครั้งความสุขของพระราชาเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้ยินทุกโน้ตและความประสงค์ที่อยากจะมีชีวิตอยู่ก็เพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อย ขอบคุณมากในติงแก้วที่รักทำไมเจ้าถึงทิ้งข้าไปแต่ว่าตอนนี้เจ้ากลับมาหาข้าแล้วเจ้าทำให้ข้ามีชีวิตอีกครั้งข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างไรนี้ฝ่าบาทท่านได้ตอบแทนข้าเรียบร้อยแล้วข้าจำได้ในครั้งแรกที่ข้าร้องเพลงให้กับท่านฟังน้ำตาของท่านไหลรินออกมาอะไรจะเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สหรับศิลปินอีกละ่ะ นกในติงเกลร้องเพลงอื่นให้เขาฟังจนเขาได้หลับไปเมื่อมองดูแล้วเหมือนว่าพระราชาหลับสนิทแล้วหลังจากได้ผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายเช้าวันต่อมาเมื่อพระราชาตื่นขึ้นแสงอาทิตย์ก็ได้ส่องผ่านมายังหน้าต่างและนกในติงเกลก็เกาะ อ, อยู่ใกล้ๆเขาและพระราชาก็ดูดีขึ้นมากกว่าก่อนหน้านี้ อยู่กับข้าตลอดไปนะไหนติ้งแกวที่รักร้องเพลงเมื่อยามเจ้ารู้สึกมีแรงบันดาลใจข้าจะไม่บังคับเจ้าอีกไม่ฟาบาดข้าอยู่ในวังนี้ต่อไปไม่ได้เมื่อไรที่ข้าอยากเห็นท่านข้าก็จะมาหาท่านเองข้าจะสร้างรังไว้แถวนี้และเมื่อยามที่ท่านต้องการค่าข้าก็จะบินมาร้องเพลงให้ท่านฟัง ข้าจะเล่าเรื่องราวในอาณาจักรผ่านบทเพลงของข้าและท่านต้องสัญญาบางสิ่งกับข้าก่อนจะได้หรือเปล่าแน่นอนข้าจะมอบอะไรกดตามที่เจ้าต้องการท่านต้องห้ามบอกใครว่าข้าเล่าเรื่องราวในอาณาจักรให้กับท่านฟังรับปากได้ไหมได้สิข้ารับปากเมื่อพูดเช่นนั้นนกไนติงเกลก็บินออกไป พระราชาทรงตระหนักได้ว่าไม่ควรขังพวกนกในติงเกวไว้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตตามที่ต้องการไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะกดขี่พวกเขาพวกนกดูดีที่สุดเมื่อพวกมันได้บินอย่างอิสระเสรีร้องเพลงบนต้นไม้และในป่ามันคือบ้านที่แท้จริงของพวกมันไม่ใช่ในวังหรือว่าในบ้านของคนเมื่อเสนาบาดีเข้าพบพระราชาและไม่พบเขาอยู่บนเตียง แต่ว่าพระราชานั้นกำลังยืนยิ้มอยู่ที่หน้าต่างอย่างแจ่มใสเสนาบดีรีบออกไปประกาศให้ทุกคนได้รู้และทั่วราชาอาณาจักรก็ต่างปลื้มปิติเป็นอย่างที่สุด